บางคนจะนึกถึงธงสีเหลืองบางคนจะนึกถึงธรรมจักรนะบางคนนึกถึงกวางนะไปวัดที่เบสหรือไปวัดจีนบางทีก็จะเห็นกวาง2ตัวอยูอ่ข้างธรรมจักร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 โลกธรรมไม่อาจย่ำยีได้ไม่อาให้วันไหวเศร้ามองได้อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นีจิตของผู้ใดโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่วันไหวเป็นจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตไร้ทุลกิเลสเป็นจิตกเกษมสารนั่นล่ะจิตของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนพัฒ น, ฒนานะเป็นจิตของพุท ธ, ธะซึ่งมีพระพุทธเจ้านี่เป็นตัวแทนเป็นแบบอย่าง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 จนกระทั่งใครๆก็อยากจะเอาไปถวายพระเอาไปาสักการะบูชาพุทธรูปท่านังที่เดิมแท้นเนี่ยก็มาจากโคลนตมตโคลนตมนี่ไม่มีใครอยากจะไปข้องเกี่ยวนะแต่ว่าก็สามารถที่จะก่อให้เกิดดอกบัวที่งดงามโคลนตมนี่ก็อาจจะหมายถึงทุกข์ก็ได้บาปหนึ่งกิเลสก็ได้มันนู้เราก็เกิดจากกิเลสันนะ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 ก็เหมือนกับจิตของคนเรานะถ้าหาว่ามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษากิเลส ก, ก็ไม่อาจฉาบติดลัวแปดเปื้อนได้ดอกบัวเขาหลุดทั้งใบบัวเขาก็มีวิธีการป้องกันตัวเขาเองและใบบัวนี่สังเกตนะถึงแม้ว่าจะแบนเนี่ยฝนตกนี่ก็มีน้ำมา มาขังอยู่ตรงกลางดอกบัวแต่ว่าน้านี่จะขังไม่ได้นานไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้ามันขังไม่เยอะดอกบัวก็จะอบัวก็จะแสซายเอโอนเอียงทำให้น้านะมันไหลเอียงเทละออกไปหมดจริงคนเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าไม่ควรที่จะแบกอะไรมาก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 เราจะใช้เวลาไปกับความทุกข์เสียเวลาไปกับความทุกข์เสียเวลาไปกับความโกรธทําไมทไมํามทำไมเราไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี่ในการที่จะซึมซับรับสิ่งดีๆเอาไว้ไปเก็บทําไมนะไปจมอยู่ความทุกข์ทำไมไปจมอยู่ความโศกทําไมในเมื่อเวลาก็เหลือน้อยแล้วเอาเวลาที่เหลือน้อยนี่ไปนะรับรูนะ้สัมผัสสิ่งดีๆดีกว่า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 พระธจ้านี่ทรงบำเพญ็ญปัญญาจกนกระทั่งหมดทุกข์แล้วก็ทรงเกื้อกูลประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งเทวดามารพรมด้วยความกรุณาภาพปัญญาคุณและภาพรกรุณาคุณที่เป็นสัญลักษณ์เป็นคุณธรรมสำคัญของพระพุทธเจ้าก็เรียกพุทธคุณบางคนเราก็โดยพระชาวพุทธก็ต้องจเจริญรอยตามนะทํางเราจะ อบําเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้บําเพ็ญประโยชน์ตนนะก็คือว่าทำไงอย่าให้ความทุกมาครอบงําย่ายีจิตใจของเราอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าเราต้องมีสติรักษาใจเมื่อเรามีสติรักษาใจความทุกข์ก็ไม่อาจจะมาครอบงาําย่ํำยีได้คนเราเวลาทุกเนี่ย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 เล่นเสร็จแต่ว่าเราจะกำรรเอาไว้กำรรเศษแก้วกำรร ม, มิดโกนแล้วก็กำ ร, ร บ, บีกกรรบกำรบีบถึงตอนนั้นแหละนะก็จะเกิดแผลขึ้นเราจะไปโทษมิดโกนก็ไม่ได้จะไปโทษเศษแก้วที่แหลมคมก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่บีบไม่กำรร ม, มันก็ทำอะไรไม่ได้ประสบการณ์เหตุการณ์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 ก็อย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นเ้างกลับมาดูตัวเราเองด้วยมันมีเรื่องเล่านะอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อร้อยปีที่แล้วคนตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็คุยกับเพื่อนจนดึกเมื่อเได้เวลาเขาก็ขอตัวเพื่อนนะจะกลับบ้านเพื่อนก็ยื่นโค้กให้เขาแล้วก็จุดเทียนให้พร้อมเลย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 ชายตาบอดก็รับถือโคมไปก็เดินกลับบ้านไปสักพักใหญ่จู่ๆก็มีคนเดินมาชนเดินมาชนจนล้มเลยนะชายตาบอดก็ตะโกนขึ้นมาว่าเนี่ยแกตาบอดหรือไงนะไม่เห็นโคมของฉันหรอือคนที่ไปวิ่งชนเขาก็ตกใจนะเขาก็รีบพยุงชายตาบอดขึ้นแล้วก็บอกว่าขอโทษครับ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 เวลาเราทําอะไรเนี่ยเราอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเราเรานึกถึงคนอื่นด้วยนึกถึงประโยชน์ของคนอื่นบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องใช้แต่ว่ามันคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะได้ใช้นถ้าเราเอาเื้อเฟ้อเกื้อกูลต่อคนอื่นนะในทสุดแล้วเนี่ยผลมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราอันนี้ก็เป็นเป็น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 เพื่อนบ้านเรานี่แหละที่เขาจะเป็นคนแรกที่จะมาบอกเราว่ามีขโมยเข้าบ้านหรือมีคนพยายามเข้าบ้านความเอื้อเฟื้อที่เรามีกับเขาเนี่ยในสุดเนี่ยมันก็ผลส่งผลย้อนกลับมาที่เราคนแต่ก่อนรวมทั้งชาว บ, บ้านเนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องนี้ดีนะว่าการเอื้อเฟื้อผู้อื่นเนี่ยมันไม่ได้เกเลื่อเกลียวแกใครเลยในที่สุดก็เกลื่อเกลียวกับตัวเอง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 แล้วก็ระหว่างที่พักถ่ายทำก็มีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งก็คุ้นเคยกันจากการที่ไปถ่ายทำสา ร, รคดีพอไปอยู่เป็นอาทิตย์คุณป้าถือปลาถือปลาปาพวงหนึ่งพอเดินเจ อ, เอาชาวสา ร, รคดีกลุ่มนี้ก็ถามว่าไอปลาพวงนี้เนี่ยทำไงถึงจะกินได้นานคนในกองถ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองก็ บา ง, งคนก็บอกว่าไปใส่ตู้เย็นบางคนก็บอกว่าเอาไปแช่เอาไปหมักบางคนก็บอกว่าเอาไปตากแดดบางคนบอกไปทําส้มคุณป้าบอกผิดหมดเลยนะต้องเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านให้ทั่วถึงเมื่อเราไปแบ่งให้เพื T ่อนบ้านทั่วถึงเนี่ยเราถึงจะกินได้นานซึ่งอันนี้อาจจะสวนทางความเข้าใจคนกรุงเทพนะคนเมืองเพราะว่าถ้าไปแบ่งให้คนอื่นหมดแล้วเรายิ่งไปแบ่งให้คนอื่นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้กินเหลือกินน้อยลง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 มีพนักงานต้อนรับโร ง, โรงแรมแห่งหนึ่งนะเขาเล่าว่าเนะช้าวันหนึ่งเนี่ยนะก็มีลูกค้ามาเช็คเอาท์เขาก็ถามว่าเป็นยังไงครับนอนหลับดีไหมครับชายคนนั้นก็สายหัวบอกไม่ไหวเลยนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนนั้นเนี่ยผมหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนเลยเพราะว่าไอห้องข้างเนี่ยมันเอาแต่ทุบทุบผนังนะ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 เพราะเรามีกระจกที่จะส่องอยู่บ่อยๆและตาเนื้อเราก็ใช้การได้อาจจะกันเราก็ใช้ตาในเข้ามาดูใจของเราเวลามันทุกข์ทุกข์ใจนะอย่าพึ่งไปมองอย่าพึ่งไปใช้ตาเนื้อเพื่อกล่าวโทษคนอื่นให้กลับมาใช้ตาในเพื่อมาดูว่าเป็นเพราะระวังใจผิดไหมนะ เรามองเขาในแง่ลบหรือเปล่าหรือเป็นพราะเรามีความยึดติดถือมั่นถ้าพูดแบบฟันธงนะทุกครั้งที่เราทุกใจเนี่ยมันลดแล้วแต่มีสาเหตุมาจากความยึดติดถือมั่นไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งเช่นเวลาเราโกรธเมื่อได้ยินคาําด่าต่อว่าด่าทอของใครเนี่ยก็เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเรามีความยึดติดในหน้าตาของตัวเองยึดติดในความเป็นตัวกู เราสึกว่าเราเสียหน้าที่เข้ามาพูดวิจารณ์ต่อหน้าธารกำนันหรือว่าดูหมินศักดิ์ศรีของเราอันนี้มันเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในตัวกูถ้าเราเสียใจเพราะเงินถูกขโมยหรือว่าของหายผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็ยังไม่คลายนั่นก็เพราะเรามีความยึดติดถือมั่นในของกูนะ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 เวลาทุกข์ใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะคนอื่นหรอกแต่เป็นเพราะว่าใจของเรานะมันมีความยึดติดถือมัน่นยึดติดถือมัน่นทั้งตั้งตแต่ว่าไปเอาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปนานแล้วมาเก็บเอาไว้ไม่ปล่อยไม่วางรวมทั้งไปยึดติดถือมั่นในความเป็นตัวกูของกูถ้าไม่ใช่ตาในนะก็จะไม่เห็นจะไม่มีทางเห็นเลย นั่นก็จะแต่เอาแต่โทษคนอื่นนะเหมือนกับชายตาบอดที่โทษคนที่วิ่งมาชนโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจว่าหรือไม่มีทางรู้เลย ว, ว่าเป็นเพราะโคมงของตัวเองมันดับนะให้เรามีตาในแล้วนะต้องใช้นะตาในคือสติคือปัญญาต้องพัฒนาให้มันให้มันรวดเร็วฉับจับไวเป็นนิสัย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 ไม่ต้องสั่งนะมันเป็นนิสัยละมันจะทํางานเหมือนกับเครื่องสัญญาณกันขโมยหรือสัญญาณอกันไฟกันเพลิงเวลามีควันลอยคลุ้งในห้องเนี่ยสัญญาณถ้าไวมากเนี่ยพอได้พอมีควันมากระทบนี่มันก็รู้แล้วว่าเกิดอันตรายมันก็จะส่งเสียงให้เจ้าของบ้านเจ้าของตึกนะรู้